เวลาขับรถไปตามเส้นทางทางภาคเหนือแถบเชียงใหม่เชียงรายลำปางหรือแม่ฮ่องสอนผมเคยเห็นทงเล็กๆที่เขาเรียกว่าตุงปักบนพื้นดินข้างทางมีกระทงข้าวปลาอาหารต่างๆวางไว้ทมชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าตรงนั้นเพิ่งจะเกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตก็เลยต้องเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงผีหรือว่าวิญญาณของคนที่เสียชีวิตซึ่งก็เป็นความเชื่อที่มีมาแต่ไหนแต่ร ความเชื่อเหล่านี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้บันทึกของนายอีวีอาร์เชอร์รองกงสุลอังกฤษที่เชียงใหม่ราวต้นรัชกาลที่ห้าเขียนไว้ว่าสมัยนั้นเมื่อมีคนที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผีกะคนคนนั้นกับครอบครัวจะถูกขับไล่ออกไปนอกเมืองต้องไปตั้งบ้านเรือนอยู่ตามหมู่บ้านไกลๆเพราะว่าชาวบ้านไม่ยอมให้เข้าไปอยู่ในเมืองผีกะที่เขาว่าจะเป็นอย่างไรผมก็ไม่ทราบ แต่เขาบอกว่าเป็นพวกที่เล่นทางเวทมนต์คาถาเมื่อได้อ่านบันทึกแล้วทำให้ผมนึกถึงยุโรปในยุคกลางที่มีการไล่จับคนที่เล่นเวทมนต์คาถาด้วยข้อหาว่าเป็นแม่มดแต่ที่นูน่นดูเหมือนจะมีการลงโทษที่หนักกว่าบ้านเราเขาเอาคนที่ว่าเป็นแม่มดมัดกับเสาเอาฟืนสูมและจุดไฟเผาทั้งเป็นต่อหน้าผู้คนดูน่าสยดสยองมากเรื่องผีกะนี้จะมีจริงหรือไม่ผมก็ไม่เคยเห็น ย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีที่แล้วผมยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบเรื่องแปลกประหลาดเหลือเชื่อกับตัวเองอยู่เรื่องหนึ่งจะเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันชีวิตในมหาวิทยาลัยตอนนั้นเรามีเพื่อนร่วมรุ่นมาจากที่ต่างๆกันตั้งแต่เหนือจรดใต้ส่วนใหญ่เป็นครั้งแรกที่พวกเรามาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยตัวเองโดยไม่มีพ่อแม่หรือผู้ปกครองคอยควบคุมดูแล หลายคนจึงเริ่มชีวิตของการเป็นผู้ใหญ่ในรั้วมหาวิทยาลัยนี่เองในกลุ่มของพวกเรามีเพื่อนหลายคนเป็นคนเมืองจากจังหวัดต่างๆทางภาคเหนือเพื่อนคนเมืองเหล่านี้เองที่สอนให้พวกเราซึ่งมาจากจังหวัดอื่นๆให้รู้ธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของชาวเหนือเพื่อนคนเมืองที่สนิทกันกับผมเป็นพิเศษตอนนั้นคือสุเทพพ่อของสุเทพเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านเล็กๆในเขตอำเภอเชียงดาว เรียกว่าเป็นผู้มีฐานะคนหนึ่งของตำบล น, นั้นสุเทพเข้ามาเช่าหอพักอยู่ในเมืองวันเสาร์วันอาทิตย์จึงจะกลับไปอยู่ที่บ้านสุเทพชวนผมไปเที่ยวบ้านอยู่บ่อยครั้งบางทีมีเวลาหยุดหลายๆวันซึ่งผมไม่ได้กลับไปบ้านที่สระบุรีผมก็มักจะไปอยู่ที่บ้านเพื่อนเพราะว่ามีอะไรสนุกสนุกให้ทำหลายอย่างพ่อแม่ของสุเทพเป็นคนใจดีผมเรียกว่าพ่อและแม่ตามที่เพื่อนเรียกเวลามีเทศกาลสงกรานต์ เป็นตอนที่พวกเราสนุกกันมากพ่อหมักเหล้าน้ำขาวที่ทําจากข้าวเหนียวเป็นไหมีรสหวานอร่อยแต่ว่าดื่มแล้วเมาจนลุกไม่ขึ้นบางทีเขาก็ใช้ข้าวเหนียวดำที่คนเมืองเรียกว่าข้าวกลมมาหมักทําให้เป็นน้ำสีชมพูน่ากินกลิ่นหอมกว่าข้าวเหนียวธรรมดาตอนเทศกาลทางบ้านเมืองเขาอนุโลมไม่ค่อยเข้มงวดผมจาได้ว่าชาวบ้านแถบนั้นหมักเหล้ากินกันทั้งนั้น บ้านของสุเทพอยู่กันห้าคนคือพ่อกับแม่พี่ทิพย์พี่สาวของสุเทพอีกคนนึงเป็นย่าของสุเทพผมก็เรียกตามเพื่อนว่าอุ้ยเป่งคำว่าอุ้ยเป็นคําที่คนเหนือเขาเรียกปู่ย่าตายายที่จริงอุ๊ยเปงมีศักดิ์เป็นน้องสาวของย่าแท้ๆของสุเทพแต่อายุมากแล้วไม่มีลูกหลานพ่อเลยรับมาดูแลอุ้ยเปงอายุเกือบ80แล้วสุขภาพไม่ค่อยดีเดินไปไหนมาไหนต้องมีคนคอยพยุง เวลาผมไปที่บ้านผมชอบไปชวนคุยก็ถือโอกาสหัดพูดภาษาเหนือไปในตัวด้วยเพราะว่าแกพูดภาษาไทยแบบกรุงเทพไม่ได้พูดได้แต่คำเมืองอุ้ยเป่งชอบเล่าเรื่องเก่าๆให้พวกเราฟังตอนนั้นผมเรียนอยู่ปีสุดท้ายสุเทพเล่าให้ฟังว่าอุ้ยเป็งเจ็บหนักนอนสมมาหลายอาทิตย์พ่อพาไปหาหมอที่อำเภอก็ไม่ดีขึ้นระยะหลังก็กินข้าวไม่ได้ทุกคนลงความเห็นกันว่าอุ๊ยเปงอาการหนักไม่รู้จะอยู่ได้นานแค่ไหน คนที่อยู่ในภาวะแบบนี้คําเมืองเขาเรียกว่าเป็นคนลําบากอาทิตย์นั้นสุเทพกลับไปบ้านวันจันทร์ก็ยังไม่กลับมาเรียนผมเข้าใจว่าคงต้องลาต่อเพราะว่าอาการป่วยของอุ๊ยเปงจนวันพุธสุเทพมาหาผมที่หอพักอุ๊ยเป็นไงอ่ะก็ยังทรงอยู่อย่างเดิมแหละสุเทพมองหน้าผมเหมือนจะพูดอะไรต่อแต่แล้วก็กลับเงียบไปเอา้าแล้วทำไมนายไม่ลาอยู่บ้านต่อล่ะ ก็มาบอกอาจารย์นี่แหละเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อของที่กาดหลวงแล้วก็จะกลับเออพัทสุเทพทำหน้าแปลกๆเหมือนอยากจะพูดอะไรสักอย่างเราสองคนสนิทกันเหมือนพี่กับน้องมีปัญหาอะไรเคยปรึกษาหารือกันเสมอโดยไม่มีความลับผมรู้ว่าสุเทพต้องมีเรื่องอะไรในใจที่อยากเล่าให้ผมฟังพัทในเชื่อเรื่องผีหมผมสะดุง้งที่จู่ๆสุเทพพูดเรื่องนี้หน้าตาท่าทางดูจริงจัง ทำไมเหรอวะสุเทพเล่าว่าสองอาทิตย์มานี้อุ้ยเปงมีอะไรแปลกจากคนที่ป่วยไม่ยอมกินอะไรนอนรอวาระสุดท้ายแต่จูจ่ๆกลับมากินข้าวได้แต่กินมากผิดปกติและชอบกินอาหารสดเช่นพวกอาหารข้าวตอนกลางวันจะนอนสมหลับตาพอพลบค่ำเริ่มมีอาการสดชื่นลืมตาโพลงเวลามีคนมาเยี่ยมหลายคนจะไม่แสดงอาการเหล่านี้ พี่ทิพย์ซึ่งนอนเฝ้าอุ้ยเปงสังเกตเห็นเป็นคนแรกหลายครั้งที่แกลุกขึ้นย่องไปหาของกินในครัวตอนดึกๆพี่ทิพย์เคยตามไปดูโดยไม่ให้แกเห็นตอนหลังแกมีกิริยาแปลกๆจนพี่ทิพย์ไม่กล้านอนเฝ้าคนเดียวอยู่ในห้องเขาว่าพลายเข้าสิงอุ้ยเปงวะ่ะสุเทพเล่าด้วยท่าทางตื่นเต้นแล้วนายก็เชื่อผมแปลกใจตอนแรกก็ไม่มีใครเชื่อหรอก พ่อกับแม่สังเกตดูการพูดการจาเนี่ยคือมันไม่ใช่อุ้ยเป่งคนเก่าว่ะเมื่อคืนเรากับพ่อก็แอบดูตอนดึกเกือบตีสองอุ้ยเป่งลุกขึ้นเดินเข้าครัวก็แกเดินไม่ได้นี่นาผมถามตัดบทออกไปเพราะรู้อยู่ว่าเวลาอุ้ยเป่งไปไหนก็ต้องมีคนช่วยก็นั่นนะสิเมื่อคืนเรากับพ่อแอบดูอยู่ในห้องติดกันตอนดึกนะแกลืมตางหัวขึ้นมองซ้ายมองขวาแล้วก็ลุกขึ้นกระโดดพแพ้วเข้าครัว เราเนี่ยไม่ได้ตามไปดูหรอกกลัวแกรู้ตัวเอา้าแล้วยังไงต่อวะเออก็สักพักนึงแกย่องกลับมามองซ้ายมองขวานอนห่มผ้าแล้วก็นอนหลับอย่างเดิมทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพ่อกับเราก็เลยย่องไปดูในครัวแกกินไก่ต้มหมดไปสองตัวเลยวะพัดไสหมูดิบที่จะทำไสอั่วอีกกระลำบังนึงพ่อก็เลยบอกว่าไม่ใช่อุ๊ยเปงแน่ฮะผมสะดุง้ง แบบนี้ที่ผมเคยได้ยินมาเหมือนกันทางบ้านเขาเรียกว่าผีปอบแล้วนายกับพ่อแน่ใจได้ยังไงล่ะว่าแกเป็นคนกินของในครัวแบบนั้นก็คืนนั้นก่อนนอนเราเป็นคนช่วยแม่เตรียมของทํากับข้าวเพราะว่าจะทํากับข้าวไปทําบุญที่วัดสุเทพเล่าต่อว่าตอนเช้าพ่อไปปรึกษาลุงหนานข้างวัดลุงหนานบอกว่าอุ้ยเปงโดนพรายแน่คืนนี้เขาจะหฮมพรายกันก็ต้องทําเป็นการด่วนช้าไม่ได้เดี๋ยวเรื่องจะไปกันใหญ่ หมพายผมแปลกใจไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาจะทำยังไงเหมือนกันลุงหนานจะมาทำพิธีคืนนี้ฝากเรามาซื้อข้าวของที่กาดหลวงเออไปด้วยคนได้ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้โดดเรียนสักวันหนึ่งผมสนใจสุเทพมีท่าทางดีใจที่ผมจะตามไปด้วย พอเที่ยงเราไปกินขึ้นเตี่ยวกันเสร็จผมก็ซ้อนทายรถของสุเทพไปซื้อเครื่องยาที่จะใช้ในพิธีที่ร้านสลาหม่องตรงถนนท่าแพได้พวกใบไม้รากไม้กลิ่นแปลกๆมาถุงโตจะเป็นอะไรบ้างเราก็ไม่รู้เพราะว่าลุงหนันจดใส่เศษกระดาษเป็นคำเมืองจากนั้นก็ไปกาดหลวงซื้อของอีกหลายรายการรวมทั้งสายสินกับเทียนสีพึ่ง ผมเอาข้าวของใส่เป้สะพายหลังซ้อนรถสุเทพออกไปทางแม่ริมผ่านแม่แตงกว่าจะถึงบ้านก็เย็นยําบ้านของสุเทพนั้นอยู่ห่างจากถนนใหญ่สักกิโลเมตรกว่าอยู่กลางสวนลำไยครึม้มถัดออกไปเป็นทุ่งนาเป็นเรือนไม้สักหลังใหญ่ได้ถุนสูงแบบชาวเหนือทั่วไปก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเรื่องของอุ้ยเปงที่สุเทพเล่าให้ฟังหรือเปล่าแต่วันนั้นตอนไปถึงบ้านผมรู้สึกแปลกแปล ทั้งที่เคยมากินมานอนอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้กี่ครั้งตอนนั้นที่นั่นยังไม่มีไฟฟ้าใช้แสงตะเกียงที่จุดอยู่ตรงชานบ้านดูวังเวงน่ากลัวเรากินข้าวพร้อมหน้ากันกันกบพ่อแม่และก็พี่ทิพย์ผมกระซิบถามเรื่องที่สุเทพเล่าเมื่อตอนกลางวันพ่อบอกว่าหฮมพายก็คือการรมควันไล่ผีพรายที่มาอยู่ในตัวอุ้ยเปงออกคืนนี้ให้พี่ทิพย์ออกไปนอนกับแม่ในห้องซึ่งอยู่คนโากเรือนกับห้องนอนอุ้ยเปง เมื่อกินข้าวอิ่มแล้วพวกเราก็ย่องไปเยี่ยมหน้าดูอุ๋ยเปงเห็นแก่ห่มผ้าหลับหน้าตาอิ่มเอิบไม่เหมือนคนป่วยผมไม่แน่ใจว่าอุปทานจากการที่พ่อสุเทพเล่าหรือไม่แต่จําได้ว่าผมได้กลิ่นสับสบับตอนโผลรหน้าเข้าไปดูอุ้ยเปงในห้องบอกไม่ถูกว่ากลิ่นสาบอะไรสุเทพก็คงได้กลิ่นอย่างเดียวกันหันมามองหน้าผมแล้วก็ทําหน้าแปลกๆวันนั้นเป็นช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นทุกคนกินข้าวกันเงียบ ไม่ค่อยสนุกสนานเหมือนคราวก่อนที่ผมมาแม่เตรียมที่นอนให้ผมกับสุเทพด้านนอกที่เคยมานอนค้างตรงนั้นเป็นห้องโถงที่พ่อใช้รับแขกติดกับห้องนอนอุ้ยเปงถัดไปเป็นห้องที่แม่กับพี่ทิพย์นอนคั่นด้วยชานบ้านมีระเบียงมองเห็นสวนลำไยและลานหน้าบ้านผมชักเกิดอาการวันๆซึ่งเป็นความรู้สึกที่บรรยายไม่ถูกจะว่ากลัวก็ไม่เชิง แต่ให้มานอนคนเดียวและก็มีอุ้ยเปงนอนอยู่ในห้องข้างๆก็ไม่เอาเหมือนกันนี่ดีที่ว่าคนอยู่กันหลายคนจนกระทั่งเวลาสัก3ามทุ่มลุงนานก็เดินทางมาถึงบ้านลุงนานคนนี้ผมไม่เคยพบมาก่อนสุเทพบอกว่าแกบวชเรียนมานานและก็เป็นญาติญาติกันกับทางบ้านอายุราว60ดูท่าทางใจดีพ่อเตรียมหม้อดินใบโตสองใบลักษณะคล้ายหม้อตาลมาตั้งไว้หน้าห้องนอนอุ้ยเปง วันนี้แม่กับพี่ทิพย์ดูซึมๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกับลุงนานสักเดี๋ยวก็เข้าห้องนอนเงียบลุงนันเข้าไปตรวจตราดูในห้องนอนครู่หนึ่งจากนั้นก็กลับออกมาเอาผ้ายันเล็กๆที่เตรียมมาปิดไว้เหนือประตูห้องนอนอุ้ยเป่งผมเห็นแกเอาสายสินพัน ร, รอบปากหม้อทั้งสองใบาปากก็พึมพำไปด้วยเอาเครื่องยาต่างๆใส่ถาดวางข้างๆกับพริกแห้งอีกชามใหญ่สั่งให้สุเทพไปก่อไฟที่เตาในครัว ตลอดเวลานี้อุ้ยเปงนอนหลับตานิ่งใส่ลัวนักเสียงลุงหนานสั่งให้สุเทพเอาฟืนใส่มากๆพอสุเทพเข้าไปในครัวลุงหนานก็นั่งพับเพียบหน้าเครื่องทำพิธีจุดเทียนสีพึ่งแล้วเอาผ้าเขามมาสะพายเฉียงเริ่มสวดอะไรพืมพำสักเคกามเมจรูเปศริสิคาระตะเตเตผมจำได้ว่าเป็นบทสวดชุมนุมเทวดา ซึ่งพอรู้มาบ้างว่าเป็นคาถาที่พระท่านใช้สวดก่อนบทอื่นๆเวลาจะประกอบพิธีกรรมต่างๆลุงนานสวดมนต์อยู่นานจนผมที่นั่งอยู่ข้างหลังกับพ่อต้องกลับขาเปลี่ยนท่านั่งกันหลายหนเพราะว่าขาเป็นเน็บแสงจากเทียนสีพึ่งเล่มใหญ่จับใบหน้าของลุงนานดูเข้มขลังควันไฟจากในครัวลอยมาทางที่เราทาพิธีผมมองลงไปที่ลานหน้าบ้านไม่เห็นอะไรนอกจากความมืด ได้ยินเสียงหมาหอนรับกันจากใต้ถุนเรือนผมชะโงกมองข้ามไหลลุงหนานเข้าไปในห้องนอนอุ๊ยเป่งเห็นแกงงูหัวมามองทางพวกเราแวบหนึ่งแล้วก็นอนลงกับหมอนอย่างเดิมราวกับรู้ว่ามีคนคอยมองแกอยู่ผมหันไปดูว่าพ่อก็เห็นเหมือนกันกับผมหรือไม่พอนั่งนิ่งไม่แสดงอาการอะไรเสียงลุงหนานท่องบ่นอะไรอยู่นานมากจนผมรู้สึกว่าขาสองข้างที่ไม่เคยนั่งพับเพียบมานานเน็บชาไปหมด แล้วลุงนานก็หยุดลุกขึ้นยกหม้อใบหนึ่งไว้ในมือลุงนานหันหน้ามาพยักหน้ากับพ่อพ่อลุกขึ้นคว้าหม้ออีกใบแล้วสองคนก็เดินเข้าครัวผมกําลังจะลุกขึ้นตามไปซึ่งตอนนี้เองผมมองเข้าไปในห้องอีกครั้งอะไรกันนั่นอุ๊ยเปงงอหัวขึ้นมามองทางเราอีกแล้วแสงจากเทียนเล่มโตหน้าห้องคราวนี้ผมเห็นได้ถนัดแกทำท่าเหมือนสียยิ้มตาลุกวาว พอเห็นผมมองอยู่ก็กลับนอนลงไปอย่างเดิมตาผมไม่ฝาดเป็นแน่แต่เกียงเล็กๆในห้องนั้นก็ยังคงจุดสว่างอยู่ท่าทางไม่ใช่อุ้ยเปงใจดีที่ผมเคยเห็นสักพักใหญ่พ่อกับลุงหนานยกหม้อออกมาจากในครัวคนละใบมีควันลอยออกมาจากหม้อสองใบนั้นผมลุกขึ้นชะโงกดูหม้อทั้งสองมีฐานติดไฟแดงๆอยู่เกือบครึ่งสุเทพเดินตามมาด้านหลังเหงื่อเต็มหน้า พ่อกับลุงหนานเอาหม้อเข้าไปวางในห้องนอนอุ้ยเปงผมกับสุเทพยืนอยู่นอกห้องคอยดูว่าพวกผู้ใหญ่เขาจะทำอะไรกันวางหม้อแล้วก็ลุงหนานลุกพรวดพลาดออกมาเอาถาดยาเข้าไปขยุมยาในถาดเป็นกำๆใส่ลงไปในหม้ออย่างรวดเร็วพลางก็พึมพำอะไรผมฟังไม่ถนัดพักเดียวควันก็ตลบอบอวนออกมาถึงข้างนอกห้องกลิ่นเครื่องยาฉุนกึกจนผมกับสุเทพแทบสาลักได้ยินเสียงพ่อสำลักควันไอแค ก, แคก แล้วลุงหนานก็เอาพริกแห้งในชามเทลงไปในหม้อสองใบที่กำลังมีควันขโมงอีกคราวนี้ตัวลุงหนานก็สำลักบ้างทั้งไอทั้งจามควันตลบไปทั้งห้องจนมองไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นลุงหนานกับพ่อวิ่งออกมาข้างนอกห้องพ่อหันไปงับประตูห้องปิดสนิทและยังคล้องสายยูไว้อีกเราได้ยินเสียงดิ้นขลุกคลุกจากห้องนอนอุ๋ยเป่ง ผมเห็นแม่กับพี่ทิพย์ลุกออกมานั่งอยู่หน้าห้องนอนฟากโน้นเห็นจะเป็นเพราะว่ากลิ่นเครื่องยาที่รุนแรงและกลิ่นพริกแห้งไหม้ที่แสบจมูกคลุ้งไปทั่วบริเวณบ้านเสียงหมาข้างล่างเห่าหอนรับกันมาอีกลุงหนานกับพ่อออกมานั่งนอกชานผมกับสุเทพตามไปนั่งใกล้มีเสียงดิ้นโครมครามกับเสียงข้าวของล้มกราวดังอยู่ในห้องจากนั้นก็มีเสียงเหมือนมีคนหลายคนวิ่งไปมาอยู่ในห้องนั้น แต่หน้าประหลาดที่จูจ่ๆพวกเรารู้สึกว่ากระแสลมข้างนอกพัดมาอย่างแรงจนเย็นยเยอือกหมาสองสามตัวใต้ถุนบ้านได้หอนขึ้นอีกพวกเราพากันมองหน้าลุงนานมันร้ายเอาเรื่องเว้ยลุงนานเอ่ยขึ้นแบบเรียบๆไม่เห็นแสดงอาการกลัวหมูซูนั่งอยู่ด้วยกันตรงนี้อย่าลุกไปไหนล่ะสักพักหนึ่งเสียงโครมครามที่เราได้ยินก็เงียบไป ผมคิดอยู่คนเดียวว่าควันตลบแบบนี้ถึงไม่มีผีเข้าอุ้ยเปงก็คงสำลักควันตายอยู่ดีคิดขึ้นมาก็อดสงสารอุ้ยเป่งไม่ได้พวกเรานั่งอยู่นอกชานจนดึกคืนนั้นอากาศเย็นจัดน้ำค้างก็แรงจนหนาวสะท้านกันทุกคนจนสองสามชั่วโมงผ่านไปควันในห้องได้จางลงแล้วทั่วทั้งบ้านเงียบสนิทได้ยินเสียงนกชนิดหนึ่งร้องมาจากต้นไม้ในสวนติดกันสองสามหนนซึ่งฟังดูแล้วน่ากลัวนั่นน่ะเสียงนกแต้ หน้าสูบบอมีแล้วเนอเราช้าไปช่วยบัรทันลุงหนานหันมาพูดกับพ่อผมหันไปดูหน้าสุเทพทำตาแดงๆก็เลยพลอยจะร้องไห้ไปกับเพื่อนลุงหนานบอกให้พ่อเข้าไปดูพ่อลุกขึ้นไปเปิดประตูห้องเราก็ตามเข้าไปด้วยผมยังจำสิ่งที่เห็นในคืนนั้นได้จนเดี๋ยวนี้ในห้องนอนอุ้ยเปงคลุ้งไปด้วยกลิ่นเครื่องยาและควันไฟกับกลิ่นเหม็นเน่าอุ้ยเปงนอนอยู่บนที่นอนพ่อห่มกับหมอน ไปอยู่คนละทิศละทางขวดยาและแก้วน้ำที่เห็นวางอยู่ใกล้ที่นอนเมื่อตอนเย็นกระจัดกระจายอยู่บนพื้นราวกับถูกจับคว้างผมแทบไม่เชื่อตาตัวเองเพียงแวบเดียวเราก็รู้ว่าร่างเล็กๆของอุ้ยเปงที่นอนอยู่นั่นปราศจากชีวิตแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันผิดประหลาดก็คือตัวของแกเขียวคล้ำและส่งกลิ่นราวกับตายมาแล้วหลายวันตอนเข้าไปดูใกล้ๆทุกคนต้องเอามือปิดจมูก ผมได้ยินเสียงสะอื้นมาจากทางประตูห้องหันไปดูก็เห็นพี่ทิพย์กับแม่ยืนเกาะประตูอยู่ผมไม่ได้นอนทั้งคืนแต่กลับไม่รู้สึกง่วงตอนเช้าก็ดูเขาเอาศพอุ้ยเปงล ง, ลงตอนที่ลงเปล่ามาถึงลานหน้าบ้านลุงหนานเอาคีเท่าฟางรองแล้วก็เอาตะแกรงไม้ไผ่วางทับพอจะยกลงขึ้นเรือนผมเห็นลุงหนานหักกิ่งไม้มากิ่งหนึ่งทำท่าปัดไปปัดมาในลงแล้วก็พูดว่าขวัญคนหนีขวัญผีอยู่ ทำแบบนี้สามหนผมกระซิบถามพ่อพ่อก็เลยบอกว่าเขาเรียกว่าพิธีปัดลงบ่ายวันนั้นเขาเอาศพไปเสียที่ป่าช้าที่อยู่ห่างไปจากท้ายหมู่บ้านคําว่าเสียเป็นคําเมืองแปลว่าเอาศพไปเผาพ่อบอกว่าคนที่ตายแบบนี้เขาไม่เก็บศพไว้จะเผาให้เร็วที่สุดผมกับสุทเทพเผาศพอุ้ยเปงแล้วก็กลับเข้าเมืองกันวันนั้นเพราะไม่อยากขาดเรียนกันหลายวัน หลังจากนั้นผมก็ไปบ้านที่สุเทพอีกหลายหนจนเรียนจบไม่มีใครพูดถึงเรื่องอุ้ยเป่งอีกเลยผมก็ไม่กล้าไปซักเรื่องเก่าดูท่าทางทุกคนในบ้านคงไม่อยากจะพูดถึงเรื่องนี้เวลานี้สุเทพเพื่อนผมเป็นอาจารย์ใหญ่อยู่ที่โรงเรียนหนึ่งในเขตจังหวัดลำปางและเราก็ยังคงติดต่อกันอยู่เป็นประจำ